Thai News. dot. prd. dot. go. dot. t La a su la u นำแไอตราูใครก็ไม่ชอบไอเดี๋ยวนี้ไม่คมั่นใจเลยอ่ไปเานีเลย We give we give ได้ด้มรน We give ใครๆก็มองวยดยทำมาชาที่ จำใสด้วยนวัตกรรมใหม่สำหรับผู้หญิงทุกวัยก็หกตกนรกก็หกแล้วบาปจงพูดจริงจงบอกจริงจากสีทองตัวจริงสีทองหาโต123สีทองขายดีอันดับหนึ่งที่ช่างสีทั่วประเทศเชื่อถือมากกว่า40ปีจนมีหลายยี่ห้อที่ใช้ชื่อสีทอง1 2 3เหมือนกันแต่คุณภาพ <c oughs> ไม่เหมือนกัน ไม่ต้องอมพระมาพูดเพราะพระท่านพูดเองของแท้ต้องสีทองหาโต้1 2 3สีทองหาโต้1 2 3 2> อย่าแปลกใจถ้าเงินบาทเดียวจะซื้อไมโครเวฟได้ซื้อเครื่องดูดฝุ่นได้หรือซื้อต่ำรายก็ได้ได้ชั่อกับชาร์อาริงนโตขอบคุณจากใจขึ้นความสุขให้คนไทยทั้งประเทศแจกใหญ่กว่า18ล้านบาท วันนี้เมื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชอบปครบ 5,000 บาทรับคูปองลุ้นซื้อสินค้าชอบปในราคาบาทเดียวทันทีแถมลุ้นอีกต่อกักบรางวัลใหญ่เปลี่ยนชอบปใหม่ให้ใช้ทั้งบ้านถึง31 ต, ตุลาคมนี้ที่โตแทนจำหน่ายชอบปใกล้คุณไม่ชัวร์ไม่ทา้ขาขคนอะไร่อยชัวร์สูตรใหม่เพิ่มซอสหอยนางรมให้ทุกจานผัดอร่อยขึ้นอีกขั้น ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักรออ้อยนอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยใช่จริงดิทั้งหมดนี้อัตราบี้ประกันภัยแค่200 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะต่อปีนะ ช็อบไฟสะละัประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรักเกินร้อยให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคอปปอพอสายด่วนประกันภัย1186อีโบลาไม่ติดทางการหายใจกินอาหารน้ำดื่มน้ำชัยแต่ติดจา ก, การสัมผัสทางสารคัดหลัง่งเช่นน้าเลือดน้าเหลืองน้ามูกน้าลาย ของผู้ป่วยอีโบลาที่มีอาการเท่านั้นที่สำคัญอีโบลายังมาไม่ถึงประเทศไทยกระทรวงสาธารณาสุขได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญสร้างค่าในโยมหลักของคนไทย12ประการขอเชิญชวนพี่น้องชาวนคะรปฐม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 9ปฏิบัติตามพระราชดำรัด10ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้11ต้องเท่มแข็งทั้งกายใจ12ไซคิดอะไรให้ส่วนดัเราจะทำอย่างสื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและสักท้าแผ่นดินจะดีในไม่ช้า เฉลิมชัยโคศิลปิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติครับวัดร่องขุณผมยังซ่อมได้เลยประเทศชาติของเราวุ่นวายมากมายโอ้โหเรื่องใหญ่เลยซ่อมได้ไหมซ่อมได้หรือเปล่านี่สิครับพี่น้องผมคิดว่าพี่น้องคนไใดเราซ่อมได้ไม่มีปัญหาความสามเฆีความรักในชาติการตุ้มเทในความเป็นส่วนลวนของชาติเป็นที่ตั้งเราจะซ่อมสังค ม, มไทยได้เราซ่อมสังคมไทยเราได้ให้กลับมารักกัน ดไดขอสอชอและกระทรวงวัฒนธรรมส่งความสุขคืนรอยยิ้มสู่ประชาชนน้ำท่วมน้ำแรงน้ำเน่าเสียเป็นปัญหาของประเทศมาโดยตลอดวันนี้ ขสชมุ่งมั่นบริหารจัดการน้ำทั้งระบบด้วยความคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติขสชพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนเราจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไปด้วยกันน้ำคือชีวิต ผิดผูกสัมพันธ์สร้างสารรค์สังคมให้หน่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม FM 90.25 เมกะเฮิร์ซจัวทนครพนมทีน่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมสงออน่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิร์ซจะนี้ไปเชิญรับฟังรายการบ้านเมืองน่าอยู่ครับ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 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพ ร, รายการบ้านเมืองน่าอยู่ก็กลับมาพบท่านเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมหรือสทรนครพนมค่ะในระบบ FM ความถี่0 2 5าสมิลเฮิรตซ์นะคะทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งวันนี้เราพบการตรงกับวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคม2557ั้รห้ึนถึงข้ามเดือน11ิเปีมะเมียค่ะ 9กา10นาทีไปจนถึง10นาฬิกานะคะโดยจังหวัดนครบนมค่ะก็จะได้เชิญนะคะหัวหน้าส่วนราชการนะคะมาประชาสัมพันธ์ข่าวสารภารกิจของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดนะคะในราการบ้านเมืองนัอยู่ค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะท่านพ่อเมืองค่ะท่านอดิศักดิ์เทพอาจนะคะได้มอบหมายให้ สำนัก ง, งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมค่ะโดยนายสมเนกดีหสิง์นะคะซึ่งจะมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะร่วมทาบุญทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุ น, นทรัพย์ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์โคสะปัญโยศรีพนมค่ะและทาบุญกระถินนะคะแก่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพจังหวัดนครพนมประจาปี2557ค่ะ ส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งค่ะสำนักงานสากลจังหวัดนครพนมนะคะนายสันติสอนขันหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานสากลจังหวัดนครพนมค่ะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการใจช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและก็การจําหน่ายปุ๋ยเคมีของบริษัทดีลักอินทัตตี้จำกัดนะคะก็เป็น ประเด็นที่จะนํามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะในรายการบ้านเมืองน่าอยู่ค่ะวันนี้นดําเนินรายการโดยดิฉันราชินีนพคุณค่ะรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะคะอํานวยการผลิตโดยนายกิติพัฒน์อภัยโสผู้อำนวยการสวรัฏรนครพนมค่ะฝ่ายเทคนิคนะคะหัวหน้าฝ่ายเทคนิคค่ะคุณวิรพจันททริศนะคะก็จะดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยแล้วก็วันนี้นะคะก็มีทางจังหวัดนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะว่า เมื่อเชา้าค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะก็นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนตะละจนพี่น้องประชาชนค่ะ ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานヌสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชนะคะคณบริเวณหอสมดุดแห่งชาติเจริมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจังหวัดนครพนมนะคะคได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปนะคะคอย่าลืมนะคะคเชิญชวนประดับธงชาติตามอาคารสถานที่ราชการตั้งแต่วันที่2 2่สถึงยีตุลาคมนี้ด้วยนะคะคช่วงแรกค่เราไปพบกับท่านสมเนกดีหาสินนะคะค ท่านผู้อํานวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมค่ะซึ่งก็จะมาเชิญชวนนะคะร่วมทาบุญทอดกฐินในครั้งนี้นะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปพบกับท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อํำนวยการค่ะสวัสดีครับท่านครับค่ะเชิญค่ะออสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุกคนนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้มาออกรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมในหัวข้อเรื่องบ้านเมืองหน้าอยู่ซึ่งบ้านเมืองหน้าอยู่ในวันนี้ก็จะนําเสนอในเรื่องของกระถินนะครับกระถินในที่นี้ก็ท่านพ่อแม่พี่น้องหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยย่อมเข้าใจดีอยู่ว่าประเพณีการทอดกรถินของเรานั้นมีได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น ในรอบหนึ่งปีสำหรับปีนี้นั้นจังหวัดนครพนมของเราก็มีกิจกรรมทอดกรถินกันแทบทุกวัดนะครับแทบทุกวัดเลยแต่ก็ยังมีกรถินที่ตกค้างอยู่ซึ่งเป็นกรถินที่ไม่มีเจ้าภาพหรือทางโบราณประเพณีบางทีก็อาจจะเรียกว่ากรถินตกค้างเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะได้มาเล่าถึงเรื่องกรถินตกค้างกับกถินที่จะทำพิธีทอด ในวันเสาร์ไอ้อวันอาทิตย์ขอโทษครับที่26ตุลาคม257นี้ซึ่งเป็นกระถินทางหน่วยราชการคือทางรัฐบาลได้นำมาทอดในพื้นที่จังหวัดนครพนมและขอความร่วมมือทางจังหวัดและพุทธศาสนิ ก, กชนชาวจังหวัดนครพนมทุกคนเนี่ยไปร่วมบุญกันนะครับคือกระถินที่จะนำมาทอดในครั้งนี้นำโดยท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราหมซึ่งจะนำมาทอดถวายที่วัดโคสะมังคารามตาบลโคกสว่างอำเภอปลาปลากจังหวัดนครพนมในวันที่26ตุลาคม257เวลา10นาฬิกานาทีนะครับซึ่งทางจังหวัดก็เชิญชวน ทุกท่านทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มาร่วมบุญกันในครั้งนี้โดยทางจังหวัดเนี่ยได้ตั้งศาลาบุญไว้ที่ถนนอภิบาลบัญชาหน้าเทศบาลเมืองนครพนมนะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องหรือผู้ผ่านไปผ่านมาที่สนใจจะร่วมบุญกับวัดโคสมังคารามเพื่อสร้างพระาธาตุพระมห า, าธาตุเจดีย์นะโคสปัญโยสีพนมในครั้งนี้นะครับ ก็เชิญได้ที่สาราบุญซึ่งจะนําไปทอดในช่วงวันที่26นี้โดยจะเคลื่อนขบวนออกจากสารากลางจังหวัดเวลาประมาณ7โมงเช้านะหรือ7นาฬิกาของวันที่26ก็เชิญชวนไปร่วมบุญในครั้งนี้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีความตั้งใจอย่างสูงมากที่จะไปร่วมบุญในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกรถินสามัคคีที่เราจะกระทําขึ้น ที่วัดโคษะมังคลารามส่วนอีกกรถินหนึ่งนะครับที่เป็นกระถินในบ้านเราจากการสํารวจวัดที่ในจังหวัดนครพนมมีวัดที่ตกกระถินหรือเรียกง่ายๆว่ากรถินตกก็ได้หรือกระถินที่ไม่มีเจ้าภาพเนี่ยมีอยู่มากพอสมควรจากการสํารวจข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีถึง51วัดนะที่ตกอยู่เขาส่งมาเพิ่มเติมอีกนะครับก็ขอเชิญชวน ร่วมบุญได้ที่ศาลาบุญที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นเดียวกันที่หน้าเทศบาลถนนอภิบาลบัญชานาเทศบาลเมืองนครพนมเช่นเดียวกันนะครับก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะรวบรวมปัจจัยทั้งหมดไปถวายให้ทุกวัดเลยนะครับเพราะเป็นบุญใหญ่นะครับกระถินไอ้ตกเนี่ย ทีนี้ผมจะเล่าถึงกรถินตกให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ฟังสักนิดหนึ่งว่าความเป็นมามันเป็นอย่างไรคําว่ากรถินตกบางคนไม่เข้าใจนะครับอันนี้เพื่อเป็นความรู้ประกอบคําว่ากรถินตกนะกระถินประเภทนี้มีชื่อเรียกอย่างอื่นอีกว่ากรถินโจร น, นะบางครั้งเราเรียกกระถิ่นโจรก็มีซึ่งศาสตราจารย์พระยาอนุมารราชทนเนี่ยได้กล่าวถึงเหตุผลที่เกิดกรถินชนิดนี้ตลอดจน ชื่อที่เรียกไปต่างๆนานากันของกรถิ่นประเภทนี้ไว้ในเรื่องเทศการออกพรรษาว่าแต่ที่ทํากันมาเช่นนี้ทํากันอยู่ในท้องถิ่นที่มีวัดมา ก, ากนะครับกรณีที่มีวัดวัดมากเนี่ยวัดที่เยอะแบบจังหวัดของเราซึ่งอาจจะมีวัดตกค้างกรถิ่นซึ่งไม่มีใครทอดหรือไม่มีเจ้าภาพก็มักมีผู้ศรัทธาสืบเสาะหาสแสวงหาในในรอบ ป, ปีว่ามันตกค้างอยู่ที่ไหนบ้าง ตามปกติในวันใกล้ๆจะสิ้นหน้าทอดกรถินหรือวันสุดท้ายของกรถินก็มีก็จะนิยมเอาไปทอดกันวันสุดท้ายของกรถินก็คือวันแรมค่ําถึงเ อ, เ อ, เอวันแรมหนึ่งค่ำของเดือนสิบสองนั่นเองนะครับการทอดกรถินอย่างนี้เรียกกันว่ากระถินตกค้างหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรถินตกก็ได้บางถิ่นก็เรียกว่ากรถินโจร พราะกิยาอาการที่ไปทอดนั้นไม่มีเรื่องที่ให้รู้มาก่อนก็คือบอกว่าไม่รู้ตัวมาก่อนอยู่ๆก็ไปทอดกันเลยเหมือนเหมือนโจรป้นอ่างนั้นนะครับตามภาษาชาวบ้านว่าอย่งนั้นไม่บอกกล่าวให้รู้ล่วงหน้าอยู่ๆก็ไปทอดที่วัดเลยนําไปถวายกันโดยไม่ได้บอกกล่าวมาก่อนลักษณะนี้เขาเรียกว่ากระถิ่นกถินโจรหรือไปทอดที่วัดตกกถิ่นนั่นเองนะครับ ซึ่งในจังหวัดนครพนมของเราเนี่ยที่กล่าวแล้วมีอยู่ประมาณ5 1วัดนะครับถ้าำรวจอย่างละเอียดแล้วนะครับก็ขอความร่วมมือขอความเมตตาอนุเคราะห์ที่จะไปร่วมบุญกันในครั้งนี้ในปีนี้เมื่อรวบรวมปัจจัยได้ทั้งหมดแล้วก็จะไปแบ่งให้วัดต่างๆนะก็ไปแบ่งและไปนำถวายก่อนวันที่6นะในในเดือนพฤษ พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายของทอดกระถินนะครับเป็นวันสุดท้ายวันที่6พฤศจิกายนนี้นเป็นวันสิ้นสุดกรถินเราจะทอดหลังจากนั้นจะทอดไม่ได้แล้วถ้าทอดก็ต้องเอาไปถวายเป็นผ้าป่าน ะ, นะครับอันนี้เป็นความรู้เก็เล็กๆน้อยๆของกระถินตกนะถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปอ่านในตำราที่เขาเขียนไว้ได้นะครับถ้าพูดง่ายๆย้ำอีกครั้งกระถินตกก็คือกรถินที่ไม่มีเจ้าภาพ บางครั้งเรียกว่ากระถินโจรบางครั้งเรียกว่ากระถินตกค้างก็คือกระถินเดียวกันอันนี้ก็จะจะนำไปถวายให้ให้ครบในในรอบไตามาศในรอบสามเดือนที่ผ่านมาในจังหวัดต่างๆก็นิยมทำกันในจังหวัดของเราก็เพืว่ามีเจตนาดีด้วยความที่ท่านเป็นคนใจบุญใจกุศลก็ได้สั่งทางผมและก็ส่วนรายการทุกส่วนให้ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดกถินตก หาเงินร่วมกันบริจาคเงินร่วมกันนะตั้งโรงบุญขึ้นมานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องพุธทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครพนมได้ไปร่วมบุญกันในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันนะครับเออซึ่งพอพูดตรงนี้แล้วก็อยากจะพูดต่อไปอีกถึงกรถินหลวงอีกสักหน่อ ย, น, ยนะมีโอกาสแล้วได้เวลาแล้วครับกรถินหลวงเนี่ยครับนะต่อไปนี้กรถินหลวงนะครับกรถินหลวงเนี่ยเป็นกระถินที่นําไป ทอดถวายที่พระอารามหลวงเท่านั้นนะครับซึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงเสเด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้า พ, พระกฐินเนี่ยที่วัดที่สาคัญสาคัญที่ทางราชการกำหนดเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด16วัดนะครับในประเทศไทยมีเท่าเพียง16วัดเท่านั้นนะครับนี่มีวัดอะไรบ้างอ่ะก็อยากจะนำมาเรียนในที่นี้บางท่านก็ทราบแล้วบางท่านก็คงลืมไปแล้วนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นวัดในกรุงเทพนะครับเป็นพระอารามหลวงที่อยู่ในกรุงเทพก็คือ1วัด บ, บวรนิเวศวิหารนะครับอยู่ในกรุงเทพนะครับ2วัดพระราวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามหรือวัดพระเชตุพนนิวมณมังคารามนะครับ3วัดสุทัศน์เทพวราราม4วัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม 5. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมาราม 6. วัดราชาที่ว่า เวัดมกุฏกษัตติยาราม 8. วัดเทพศิรินทราวาฒ9วัดเบญจมาบพิษดุสิตวนาราม10วัดราชโอรสสาราม11วัดมหาธาตยุวราชดังสิทธิ์12วัดอรุณราชวรารามทั้ง12วัดนี้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและมีวัดที่อยู่ต่างจังหวัด ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไปถวายผ้าพระกถินด้วยพระองค์เองเนี่ยนั้นที่ที่เคยปฏิบัติมาก็มีอีก4วัดก็คือ 1. วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. วัดพระปถมเจดีจังหวัดนครปฐม3วัดสุวรรณดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก ปรากฏว่าวัดที่อยู่ต่างจังหวัดที่ซ้ํากันสองวัดในจังหวัดเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีจังหวัดพระคนครศรียุธยาสองวัดพระปฐมเจดีย์หนึ่งวัดแล้วก็วัดอพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษนุโลกอันนี้เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงสเสด็จพระราดําเนินไปถวายภาคภาคถิ่นด้วยตนเองหรือตอนหลังๆท่านจะจะมอบให้องค์มนตรีหรือพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์ไ ป, ไปทอดก็ก็ได้ใน สิวัดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่มานําเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ว่ากระถิน่นหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำผ้าพระกระถินไปถวายในแต่ละปีละปีสิบหกวัดที่ได้กล่าวมานี่นะครับและยังมีกรถินหลวงที่ไปทอดในวัดราชอีกนะที่ที่เอาผ้าพระกระถินไปทอดในวัดราชอันนี้เรียกว่ากรถิน กระถินต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดในวัดราชหรือให้มอบใหอออ้อะไรปีตัวแทนพระองค์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะไปทอดที่วัดราชเรียกว่ากระถินต้น น, นะกรถินหลวงก็วัดได้ทอดในพระอารามหลวงกระถินต้นเนี่ยทอดวัดราชจําจำง่ายๆนะครับวันนี้ก็คงจะมานำเสนอในรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมได้ทราบ เพียงเท่านี้ถ้ามีโอกาสหน้าก็คงจะได้มานำเสนอเรื่องดีๆที่มีประโยชน์และเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธให้ได้ทราบกันอีกนะครับสมบัติวันนี้กับผมในนามของอได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดมาในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมทุกคนและขอขอบคุณท่าน ผู้อำนวยการฐานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อำนวยความสะดวกได้อย่างดียิ่งใ น, ในการมาออกรายการทุกครั้งนะครับก็ขอชื่นชมและขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับสวัสดีครับค่ะ ข, ขอบคุณค่ะท่านค่ะท่านผู้อำนวยการ สมนึกดีหาสิงนะคะก็ได้มาพูดคุยเชิญชว น, ชวนร่วมทาบุญกะถินสามัคคีนะคะเพื่อสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้างพระมหาเจดีย์โฆสะปัญโยสีพนมนะคะณวัดโคสะมังคลารามอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมคะ่ะแล้วก็กระถินที่ตกค้างนะคะไม่มีเจ้าภาพจังหวัดนครพนมประจำปี2557คะ่ะท่านสามารถร่วมทาบุญกันได้คะ่ะ กลางเต็นท์อยู่หน้าสำนัก ง, งานเทศบาลเมือง น, นครพนมนะคะแวะไปก็สามารถไปทำบุญกันได้นะคะท่านก็ได้มาเล่าเกี่ยวกับกระถินราช กระทินหลวงนะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะก็เป็นความรู้ดีๆค่ะที่ได้รับกันในวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2557ค่ะ10นริกา30นาทีนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมค่ะก็นำหัวหน้าส่วนราชการหรือว่าพี่น้องประชาชนนะคะร่วมทำบุญกันได้ค่ะโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะนายประวิทยวงสุวรรณค่ะ คลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะขอภัยค่ะก็จะมาเป็นประธานนะคะก็เชิญชวนด้วยนะคะพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมค่ะวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม2557ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามรับฟังจากตัวแทนสำนัก ง, งานสากรจังหวัดนครพนมค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจนและกระถินทินอุบลคนมีธรรมงามล้ำสินห้าเพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดงานอบรมสัมมนาการคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายธรรมยุทจำนวน 3,000 ัรูปสนับสนุนโครงการญาติเพรุนอุ่นเกล้าเพื่อเด็กเพื่อโอกาสในวันพุทธที่หและวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2557ัอยบเจ็กองวนันละ1บาทท่านที่จองเป็นเจ้าภาพมูลค่าห 2 9 9บาทจะได้มอบรูปหลอเหมือนหลวงปู่มัน่นพุทธิธโตเล็กน้ำพีให้ท่านนำไปบูชาจำนวนหนึ่งองค์ท่านสามารถจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชาวอาวาตวัดไชยมงคลตมนีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปุบลราชธานีตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปหรือท่านติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0818782460ได้ทุกวัน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 บ้านเมืองได้อยู่ค่ะช่วงที่2นี้นะคะไปพบกับตัวแทนจากสำนัก ง, งานสากลจังหวัดนครพนมค่ะโดยนายสันติสอนขันหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนัก ง, งานสากลจังหวัดนครพนมค่ะที่จะมาพูดคุยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวาแล้วก็ผู้ปลูกยางพา ร, รารวมไปถึงการจําหน่ายปุ๋ยเคมีนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะพบกับคุณสันตินะคะสวัสดีค่ะคุณสันติคะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับทังบ้าน ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางสำนักงานสกลจังหวัดนครพนมนะครับโดยท่านจตุรันสมิทธิ์ทินันนะครับท่านเป็นสกลจังหวัดนครพนมก็ได้มอบให้ผมนะครับนายสันติสอนขันนะครับผู้น้าฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับสำนักงานสกลจังหวัดได้มาออกรายการบ้านเมืองน่าอยู่ของท่านผู้ว่านะครับก็มีเรื่องที่จะนําเสนอสมมติสามเรื่องนะครับในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับประจําปี2557 2558นะครับในเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารานะครับซึ่งเป็นเรื่องฮอตเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ส่วนเรื่องที่3มก็เป็นเรื่องการจําหน่ายปุ๋ยนะครับของบริษัทบางแห่งนะครับที่ที่มาจําหน่ายผ่านสากลแล้วก็มีปัญหานะครับตรงนี้ก็จะมาชี้แจงทำความเข้าใจให้เข้าใจกันนะครับก็เริ่มเลยนะครับสําหรับเรื่องที่1นะครับ เรื่องที่1ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรก ร, กรผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับถือก็เป็นนโยบายสําคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชนะครับที่ได้ให้ที่ที่มีนโยบายที่จะให้หน่วยงานหลักเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนนะครับซึ่งประกอบด้วยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งก ร, ก, กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็สังกัดกรมกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับหน่วยงานที่2ก็เป็นกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็กระทรวงการคลัง แล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับในด้านการผลิตและการตลาดนะครับโดยกําหนดสองมาตรการดังนี้นะครับมาตรการแรกก็เป็นมาตรการหลักนะครับเป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการนะครับก็ได้แก่ในเรื่องของราคาปัจจัยนะครับเรือการลดราคาปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งเป็นทั้งปุ๋ยทั้งยาต่างๆพวกนั้นนะครับ อันที่2ก็เป็นเรื่องของการจัดจําหน่ายเมล็ดพันธุ์นะครับอันที่3ก็เป็น เ, เกี่ยวกับรถรถเกี่ยวข้าวแล้วก็เรื่องการเช่าที่นาอันนี้ก็เป็ น, เ ป, นเป็นมาตรการแรกนะครับในมาตรการที่2ที่รัฐบาลกําหนดก็คือเป็นมาตรการในการสนับสนุนโดยมี4ด้านนะครับ4ด้านก็ได้แก่ด้านที่1ก็เป็นการส่งเสริมปัจจัยการผลิตนะครับ อันนี้ก็ประกอบด้วยการเพิ่มผลผลิตต่อไร่การจัดตั้งธนาคารมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับการกําหนดเขตพื้นที่ปลูกข้าวหรือว่าโซนนิ่งนะครับและการจัดหาแหล่งน้ํานะครับอันนี้เป็นด้านที่1นึ่งในด้านที่2ก็เป็นการสนับสนุนแหล่งเงินทุนนะครับซึ่งดําเนินการภายใต้2โครงการก็ได้แก่โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรนะครับอันนี้แหละครับก็คือเป็นสากลและก็กลุ่มเกษตรกรนั่นเองนะครับ แล้วก็โครงการลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรนะครับอันนี้ก็เป็นด้านที่2ในด้านที่3เป็นการส่งเสริมการตลาดนะครับก็ประกอบด้วยการเร่งหาตลาดใหม่การเชื่อมโยงตลาดทั้งในและนอกประเทศการช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและการให้สินเชื่อเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการด้านที่3สามสำหรับในมาตรการด้านที่4ก็เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะครับซึ่งประกอบด้วยโครงการ ประกันข้าวนาปีนะครับมีการผลิตปีการผลิต 2,157 นะครับแล้วก็การจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพการค้าข้าวแบบครบวงจรและการจัดตั้งกองทุนข้าวและชาวนาแห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นภาพรวมทั้งประเทศนะครับเป็นภาพรวมที่เป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลหรือว่าคสชเนี่ยไ ด, ได้ได้กำหนดในเรื่องของข้าวนะครับทีนี้มาดูในในเรื่องของสําหรับ สำหรับในส่วนของสถาบาันเกษตรกรนะครับในที่ที่กร ม, มเสริมสกอณรับผิดชอบก็ได้แก่สกรณการเกษตรนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรซึ่งกรมต่งเสริมสกรณได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณการเกษตรหรือทอกศเนี่ยนะครับดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดกูการการผลิตเนี่ยนะครับปีห้าเจ็ดถเน่ย เ, เป็นการมาตรการสนับสนุนนะครับเป็นเป็นมาตรการสนับสนุนในด้านการสนับสนุนแหล่งเงินทุน นะครับแล้วก็ด้านการส่งเสริมการตลาดนะครับส อ, อย่างพร้อมกันไปเลยนะครับโดยสนับสนุนเงินทุนให้กับสากลและกลุ่มเกษต ร, รกรเนี่ยเพื่อที่จะไปรวบรวมเข้าเปลือกนะครับเพื่อขายแล้วก็เก็บไว้แปรรูปเป็นข้าวสารรวมถึงเป็นตลาดกลางข้าวเปลือกให้กเกษตรกรนําเข้าเปลือกมาจําหน่ายให้ได้ในราคายุติธรรมนะครับตลอดจนเสริมสร้างกลไกตลาดเข้าวเปลือกในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพนะครับทั้งนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้สากลและกลุ่มเกษตรกรได้มีส่วน ร่วมซื้อขายข้าวเปลือกและก็เข้าวสารของเกษตรกรสมาชิกโดยขับเคลื่อนผ่านโครงการสําคัญนะครับ2โครงการนะครับโครงการลากโครงการที่1 น, นะครับก็เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่าเราก็ได้ร่วมมือกับทางทางกรมสนุเสริมสกสารก็ได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสะกสารการเกษตรหรือทกสนะครับ S 1> <S 1> โดยทกสก็จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมเข้าเปลือกนะครับเพื่อขายแล้วเก็บไว้แปรรูปนะครับวงเงินก็ทั้งประเทศนะครับในภาพรวมก็คือส0 0 0มล้านบาทนะครับให้ให้ใหสากลและกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนำเงินตรงนี้ไปรวบรวมเข้าเปลือกนะครับจากสมาชิกเป้าหมายที่ปริมาณเข้าเปลือกที่จะรวบรวมก็คือ4ล้านตันนะครับสากลและกลุ่มเกษตรกรที่เที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะต้อง เสียดอกเบี้ยร้อยละหต่อปีเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างต่ำนะครับรับพล ะ, พะดอกเบี้ยร้อยะหนึ่งแะยกเวลาในการกู้ยืมว่า1ปีนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการแรกนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นโครงการที่เราได้มีการประชุมไปแล้วนะครับโครงการที่2ก็เป็นโครงการเชื่อมโยง เ, เครือข่ายข้าวสารนะครับสากลและกลุ่มเกษตรก ร, กรสู่ตลาดภายในและต่างประเทศเป้าหมายก็คือ1นึ0 0 0สตัน โครงการนี้ก็จะเป็นการเป็นลักษณะของปลายน้ำนะครับกลางน้ําและปลายน้ำนะครับคื อ, อหลังจากแปลรูปแล้วก็จ ะ, ะมีการจําหน่ายข้าวในเครือข่ายของสากลทั่วประเทศนะครับทั้งกลุ่มเกษตรกรต่างๆซึ่งเรามีเครือข่ายกันที่จะสามารถจะจําหน่ายข้ามกันได้นะครับข้ามจังหวัดกันได้เช่นภาคใต้เนี่ยอาจจะไม่มีข้าวก็นําภาคเหนือภาคอีสานอะไรต่างๆไปหรือว่าสากลนอกภาคเกษตร เช่นสากลรบริการสากรอมซับต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะ เ, เชื่อมโยงหรือว่านำข้าวไปจำหน่ายช่วยกันรับซื้อข้าวสารเพื่อจำหน่ายในประเทศส่วนในต่างประเทศนั้นเราก็จะมีการติดต่อกันในในในส่วนของส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในสากรต่างๆซึ่งก็จะมีเครือข่ายอยู่บ้างนะครับในต่างประเทศอันนี้ก็จะสามารถที่จะระบายข้าวในส่วนที่ที่ทางสากลได้มีเป้าหมายที่จะดาเนินการคือ1นึ0 0 0ตัน เป็นโครงการที่2ต่อไปนะครับทีนี้มาดูในจังหวัดนครพ น, นมนะครับอันนี้เป็นภาพรวมที่ที่ที่ท ก, รกรมถุงเสริมสกคอนได้ชี้แจงไว้นะครับแล้วก็มอบให้สกคอนมอบให้สํานักงานสากรอนจังหวัดในต่างๆทั่วประเทศนดําเนินการนะครับสำหรับในนครพ น, นมเราเนี่ยนะครับก็ได้รับนโยบายแล้วเนีทางปฏิบัติจากกมรมถุงเสริมสกคอนได้มีการประชุมชี้แจงโครงการนี้ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มายังสํานักงานสากรอนจังหวัดทั่วประเทศนะครับ แล้วก็ได้มีการเปิดโครงการไปเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับที่โรงแรมรามาการเด้นนะครับซึ่งวันนั้นก็ได้มีการเชิญออตัวแทนจากสกลและกลุ่มเสนากรมทั่วประเทศนะครับไปร่วมงานในวันนั้นนะครับเมื่อวันที่2ตุลาก็ประมาณเป็นพันคนนะครับไปร่วมงานแล้วก็มีการชี้แจงทางําความเข้าใจกันนะครับสําหรับที่นครพนมเราก็มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการและโครงการดังกล่าวของรัฐบาลนะครับ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติหลังจากนั้นก็ได้ให้สักกรแจ้งความจำนองเข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งสํารวจศักยภาพการดำเนินงานของสักกรนะครับปริมาณผลผลิตของสมาชิกก็ปรากฏว่ามีสักกรผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดเนี่ยให้เข้าร่วมโครงการตามโครงการที่1 น, นะครับคือโครงการที่ให้สินเชื่อเนี่ยก็ทั้งตากข้างต้นตอนนี้ก็ดีจํานวน8แห่งนะครับ โครงการแรกเนี่ยที่จะได้เงินกู้ตรงนี้ไปเพื่อที่จะรวบรวมเนี่ยทั้งหมด8แห่งนะครับความต้องการเงินกู้ก็รวม674ล้านบาทนะครับขอ ง, ของโนครพนมเราปริมาณข้าวที่จะรวบรวมนะครับที่เราทำแผนไว้ที่สักกอแต่ละแห่งทำแผนไว้รวมแล้วก็ 84,447 ตันเป็ตันนะครับเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิ 79,117 ันเตันข้าวเหนียว4830ตัน นะครับเพื่อที่จะนําไปแปลรูปเป็นข้อสารได้ 8,200 รอตันนะครับอันนี้ก็จะมีสากรสองแห่งนะครับที่จะเป็นโรงสีข้าวนะครับซึ่งจะแปรรูปก็มีกําลังการผลิตรวม4ี่สิบสตันต่อวันนะครับอันนี้ก็ก็เป็นการแปรรูปสําหรับรายละเอียดแปดแห่งนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับในจังหวัดนครพนมเราท่านก็อยากจะลองอยากจะนําเสนอสักนิดนึงนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็มี อันแรกก็เป็นสากลที่พื้นตั้งใหม่นะครับเป็นสากลบริการพระยอดเมืองขวางจำกัดอันนี้ก็แน่นอนนะครับก็คงจะอยู่ที่ค่ายพยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมเรานี่เองนะครับก็วงเงินที่จะขอกู้ก็390ล้านบาทนะครับซึ่งสากลนี้ก็มีแผนที่จะรวบรวมรเปลือกจากสมาชิกแล้วเกษต ร, รกรทั่วไปก็ประมาณ 30,000 ตันนะครับสามหม่นห้ารตันนะครับแล้วก็อันที่สองก็สากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศ อันนี้ก็เป็นสักกรสะกะตนั่น เ, เองนะครับที่ท่านรู้จักกันดีก็สัสะกสกต์ น, นี้ก็จะเอ่อเอาวงวงเงินกู้ที่ต้องการที่จะไปรวบรวมก็คือหกสิบล้านบาทนะครับแล้วก็มีแผนที่จะรวบรวมเขาเปลือกจากสมาชิกเกษตรกรในจังหวัดนครปนมก็คือหนึ่งหมพันแปดรอยตันนะครับแล้วก็ที่จะเอาไปแปลรูปอีกเจ็ดพันสองร้อตันนะครับก็คือเมื่อรวบรวมแล้วเนี่ยสักกรสะกะต์ น, นี้ก็มีลงสีอยู่ก็จะนําไปแปลรูปนะครับเจ็ดพันสรอตันนะครับ แล้วก็สักกรต่อไปก็เป็นสักกรพัฒนาโคกหินแห่นะครับสักกรพัฒนาชนบทโคกหินแห่จำกัดก็อยู่ที่อำเภอเรนูนครนะครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่บ้านโคกหินแห่นั่นเองนะครับวงเงินที่จะขอกู้ก็คือ2ล้านบาทนะครับก็เป็นสักกรเล็กๆนะครับก็ยังยังยังมีศักยภาพที่จะทำเพราะว่ามีมีช้างมีโรงเก็บอยู่นะครับก็มีแผนที่จะรวบรวมข้อเปลือกจากสมาชิกนะครับหนึตันนะครับสักกรต่อไปก็เป็นสักกรการเกษตรโพนสวรรค์นะครับก็อยู่ที่อำเภอโพนสวรรค์ วงเงินที่จะขอกู้เพื่อที่จะรวบรวมข้าเปลือกตามโครงการก็คือ27ล้านบาทนะครับโดยมีแผนที่จะรวบรวมข้าเปลือก 5,000 ตันนะครับสกรอนต่อไปก็เป็นสกรอนการเกเษตรท่าอูเทนจำกัดนะครับก็อยู่ที่อำเภอท่าอูเทนวงเงินที่จะขอกู้ก็18ล้านบาทนะครับมีแผนที่จะรวบ ร, ร, รวมข้าเปลือก 9,000 ตันและมีแผนที่จะนําเข้าเปลือกไ ป, ไปแปรรูปเป็นข้าวสาร 1,000 ตันนะครับ ก็จะเห็นว่าท่าอุเทนก็มีลงสีอยู่นะครับถ้าท่านไปทางท่าอุเทนก็จะอยู่ทางซ้ายมืออยู่ในป่านะครก็จะ <g iggle> เห็นลงสีข้าวของสักกรการเกษตรท่าอุเทนอยู่ข <c oughs> ่อนก็สักกรนี้ก็จะมีโครงการที่จะแปลรูปเป็นข้าวสาร1000ตันนะครับสักกรต่อไปก็เป็นสักกรการเกษตรบ้านแพงนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านแพงวงเงินที่จะขอกู้ก็40ล้านบาทในจนํานวน40ล้านบาทนั่นก็จะนําไปรวบรวมข้าเปลือกนะครับหมุนเวียนไปก็คือ 10,000 ตันนะครับค่อนจะเยอะนะครับหมื่นตัน สักกรต่อไปที่จะเข้าร่วมโครงการก็คือสักกรการเกษตรสีสงครามจำกัดนะครับก็อยู่ที่เพลศีสงครามก็อยู่ที่ปั๊มเป็นปั๊มน้ามันบางจากอยู่นะครถ้าท่านไปศีสงครามก็จะเห็นนะครับวงเงินที่จะขอกู้ก็คือ37ล้านบาทนะครับมีแผนที่จะรวบรวมข้เปลือกหนึ่งหมื่นตันนะครับเช่นกันเท่าค้อนแพงนะครับแต่ใช้เงินน้อยกว่านิดนึงนะครับแล้วก็สักกรการเกษตรเรนูนครก็อยู่ที่เรนูนครวงเงินที่ขอกู้ก็คือ100ล้านบาทอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับลอยบานบาท ก็มีแผนที่จะรวมรวมเข้าเปลือกเจ็ดพัตันนะครับอันนี้ค่อนข้าง น, น้อยนิดหนึ่งนะครับทีนี้มาดูว่าผลดําเนินการจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งผลการดาเนินงานต่างๆที่เราเราทำการโครงการนี้จะต้องรายงานท่านผู้ว่าจาังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกอาทิตย์นะครับว่ามีการก้าวหน้าไปถึงไหนนะครับก็ปรากฏว่านะครับขณะนี้นะครับมีสากลที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้รับอนุมัติเงินกู้ไปแล้วหนึ่งแห่งก็คือสากลการเกษตรโพลสวรรค์นะครับโพลสวรรค์จำกัดเป็นเงิน27ล้านบาทสากลที่เหลืออีกเจ็ดแห่งก็อยู่ ทกศนะครับสำหรับผลการรวบรวมนะวันที่14เอ่อ15ตุลาก็ได้จํานวน10 10.77 ล้านเอ่อ 10.77 ตันนะครับก็แยกเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิ 9.49 ตันแล้วก็ข้าวเหนียวเขาเขา6จำนวน 1.28 ตันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมาตรการเรื่องข้าวนะครับเอ่อในเรื่องที่สองต่อเลยไหมครัต่อเลยค่ะเชิญค <laughs> ่ะ <laughs> ในเรื่องที่สองก็เป็นเอ่อมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรก ร, กรผู้ปลูกยางพารานะครับในเรื่องของอยางพารานี่ก็เป็นเป็น เ, เรื่องที่มีผลกระทบค่อนข้างมากในเรื่องของราคานะครับซึ่งเรื่องนี้ทางารัฐบาลโดยทนคสชนะครับก็ได้เล็งเห็นว่ า, าในเรื่องการทำให้ราค า, ามีเสถียรภาพหรือมีราคาที่สูงขึ้นเนี่ยท่านก็เห็นว่ า, าสถาบันเกษตรก ร, เ, กรเนี่ย น่าจะมีบทบาทในการดําเนินการเรื่องนี้ร่วมกับกสยยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้มีมตินะครับได้อนุมัติงบประมาณนะครับหน่งหมื่นพันล้านบาทให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยเ อ, อเอาไปแก้ปัญหาอย่างพลาทั้งระบบนะครับซึ่งก็จะได้บางส่วนนะครับซึ่งใน่งหนห้าพันล้านบาทเนี่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็จะดำเนินการผ่านทางทกสนะครับหรือธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกรณ์การเกรษตร เพื่อนำไปสนับสนุนให้สะกรและกลุ่มเกษตรกรเนี่ยกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนนะครับใช้เป็นทุนหมุนเวียนรวบรวมาเอรวบรวมรับซื้อยางพาราจากสมาชิกอันนี้ก็คล้ายๆ้าข้าวเมื่อกี้นะครับในวงเงิน1 0 0ม่นล้านบาทเนี่ยระยะเวลาที่จะให้สะกรกู้ก็คือ1ปีนะครับชาระเวลาชาระคืน1ปีดอกเบี้ยนี่ก็คิดดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำนะครับร้อยละหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนําไปให้กู้เพื่อปรับปรุงหรือขยายโรงงานแปรรูปนะครับซึ่งอาจจะไปสร้างใหม่หรือว่าจะขยายโรงงานที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับจำนวนอีก 3,500 ล้านบาทนะครับอันนี้ทั่วประเทศนะครับไม่ใช่จังหวัดนคนครพนมอย่างเดียวระยะเวลาส่งคืน10ปีนะครับอันนี้ดอกเบีย้ยจะค่อนข้างต่ำมากเลยนะครับศูนนะครับแล้วก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจํานวนพันห้าร้ล้านบาทนะครับนำเป็นทุนหมุนเวียนรับซื้อยางพลาแปรรูปนะครับมาจําหน่าย อีก5ปีอันนี้คือระยะเวลาส่งคืน5ปีดอกเบี้ยร้อยละหนะครับก็จะมี3ส่วนใหญ่ๆนะครับซึ่งในในเรื่องนี้ทางทางกรมก็ได้มีการประชุมชี้แจงไปนะครับตั้งแต่ต้นเดือนกันยาแล้วนะครับโดยท่านอธิบรึกรมตำรวจสกลในขณะนั้นก็คือท่านจุมพล ส, งสังข์ศิลนนะครับก็ได้ชี้แจงทําความเข้าใจวันนั้นเราก็ได้เชิญทางสากลต่างๆเข้ามาร่วมรับฟังด้วยนะครับในจังหวัดนครพนมเราก็มาประมาณ50คนนะครับ แล้วก็ทั่วประเทศพร้อมกันนะครับได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวนะครับเพื่อให้สากลเนี่ยได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะกู้เงินนะครับผ่านทางทกสเข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งก็มีประเด็นที่หลายแห่งก็เป็นห่วงว่า เ, เกษตรกรบางส่วนไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับสากลเนี่ยจะทางสากลหรือกลุ่มเกษตรกรจะรับซื้อไหมทาง ทั้งกรมก็ได้ชี้แจงว่าเราก็รับซื้อหมดนะครับรับซื้อทั่วทั่วไปด้วยนะครับทั้งเกษตรกรแต่ว่าให้ให้รับซื้อจากสมาชิกเป็นดับแรกนะครับอันนี้เราก็อยากจะทําความเข้าใจว่าเกษตรกรที่มีการปลูกยางหรือว่าเกล็ดยางจําหน่ายเนี่ยท่านก็สามารถจําหน่ายผ่านทางสักกรที่ใกล้บ้านท่านได้นะครับหรือท่านยังไม่เป็นสมาชิกก็อาจจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือว่า จ, จะขอจะตั้งใหม่ก็ได้นะครับนี่เราก็ยินดีนะครับในเรื่องของการ เ, เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะให้สกอร์และกลุ่มสกอร์ได้มีบทบาทในการรวบรวมรวบรวมยางพารา เ, เพื่อจําหน่ายนะครับขอเรียนว่าในการจําหน่ายนั้นเราก็พูดง่ายก็คือซื้อมาขายไปนะครับผ่านผ่านสกอร์แล้วก็ทางสกอร์ก็จะนําไปจําหน่ายต่อนะครับทางทางพ่อค้าหรือว่าโรงงานที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ก็ที่จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับสําหรับเ ในจังหวัดนครพนมเรานะครับขณะนี้เราได้มีการสํารวจความต้องการแล้วเรียบร้อยนะครับว่ามีสักกรไหนที่จะเข้าร่วมโครงการบ้างก็ขอเรีอนอยงนงี้นะครับว่าในสักกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครพนมที่ทำํำธุรกิจในเรื่องของการปลูกยางเนี่ยครับหรือว่ามีสมาชิกที่ปลูกยางเนี่ยก็มีทั้งหมดนะครับ29แห่งนะครับ29แห่งก็มีทุกอําเภอนะครับมีมีมีตั้งแต่ทางเหนือทางใต้นะครับ สําหรับสักกรที่มีความประสงค์ที่จะขอกู้เงินนะครับขอกู้เงินที่จะเข้าร่วมโครงการตามโครงการนี้ตอนนี้ก็มีอยู่สกมดยีบเอแห่งนะครับใน21แห่งก็เป็นเงินที่จะขอกู้รวมร <c oughs> วมวงเงินที่จะขอกู้ก็คือ127ล้าน 900,000 บาทนะครับร้อล้าน 90, ้าแสบาท21แห่งนะครับซึ่งในจํานวนนี้ก็มีแผนที่จะรวบรวมรวบรวมยาง ทั้งยางก้อนก็ดียางแผ่นก็ดีเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ 16,800 ห 16, กพันเอ่อหมื่นตันนะครับหมื่นตันที่จะเอ่อนำเงินตรงนี้ไปรวบรวมนะครับซึ่งในพื้นที่ที่จะปลีดเนี่ยก็ตอนนี้เราได้สํารวจแล้วก็มีพื้นที่ที่จะปลีดยางจาหน่ายในในช่วงนี้ก็คือ 14,593 ไร่นะครับ มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ6000นลายนะครับประมาณ6000นลายอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่ที่เราจะต้องอารายงานด้วยนะครับในในสกอญผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดนครพนมเนี่ยเราก็มีการประสานกับทางกสยหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางทกสต่างๆนะครับในเรื่องของการดําเนินการตรงนี้นะครับซึ่งวงเงินตรงเนี้ยเราก็มีการ ทยอยเบิกจ่ายกันออกไปนะครับช่วงนี้ก็มีการ ท, ทําสัญญากันมีการดูศักยภาพมีการตรวจสอบต่างๆกันอยู่นะครับเพื่อที่จะอนุมัติหึ้งทกสโดยคณะกรรมการบริหารจังหวัดเนี่ยก็จะมีคณะทํางานบริหารโครงการดูนเนี่ยที่จะอนุมัตินะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของรายละเอียดต่างๆก่อนที่จะอนุมัติออกไปเพราะว่าการดำเนินงานของสกอและกลุ่มเกษตรกรนั้นจะต้องดําเนินการเองนะครับ หน่วยงานราชการเพียงแต่ว่าเราสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็ไม่อยากที่จะให้สภานั้นมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการก็จะต้องมีการแนะนําดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องอการรวบรวมผลผลิตต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการรวบรวมนะครับซึ่งในรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าในการดาเนินธุรกิจรว่วมรวมแปรรูปยางพาราเนี่ยของสถาบันเกษตรกรเนี่ยขณะนี้ก็มี เนือ่องจากว่าเรามีโรงงานของกศย์นะครับ เ, เขาเรียกว่าโรงงานแปรรูปหนะครับอยู่ที่ตําบลพนอมนะครับหนึ่งแห่งนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะแปลรูปเป็นยางสตร์ยี่สิบนะครับเป็นยางแท่งสตร์ยี่สิบสักรที่ส่งเข้าแปลรูปตัวนี้ก็ตอนนี้ก็มีหนึ่งแห่งก็คือสักกรสอกยอนะครับสื่อกอการเกษตรสักกรผู้ปลูกยางนาทมนะครับสกยอนาทมมี มีข้าจ้างผลิตก็กิโลก ร, รัมละ 5.6 บาทซึ่งค่อนข้างสูงโดยสักกรสามารถที่จะรับต้นทุนอยู่ที่3บาทนะครับต่อหนึกิโลก ร, รมัมส่วนต้นทุนอีก 2.2 บาท60สตางค์นั้นหากรัฐบาลสามารถรับผลลัได้ก็จะทําให้สักกรสามารถาารับซื้อยางจากสมาชิกในราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะยางแท่งที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยของสักกรนาโถมเนี่ยก็มีคุณภาพสูงไปที่ชื่นชอบของตลาดต่างประเทศและก็ในการแปรรูปยาง200ตันเนี่ย สากล ก, ก็ต้องใช้เงินทุนในการรวบรวมประมาณ10ล้านบาทนะครับซึ่งสากล ก, ก็มีประสบปัญหาในเรื่องของเงินทุนในขณะที่โรงงาน6ที่ที่ว่าเนี่ยนะครับคือโรงงานของกสยอที่พยอมพนอมเนี่ยก็สามารถผลิตได้มีกำลังการผลิตได้ถึง2 0,000 ตันต่อปีแต่โรงงานเองก็ยังประสบปัญหาที่วัตถุ ด, ดิบไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เนื่องจากเงินทุนของโรงงานเองก็ยังไม่มีพอเหมือนกันนะครับส่วนในประเด็นที่2ก็เป็นของสากล หนองสนนะครับสกยหนองสนเนี่ยก็ได้ส่งยางก้อนถ้วยให้กับเอกชนในตําเห่งอำเภอเสสนางคณิคมนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับโดยสกอเนี่ยสามารถรับซื้อได้สูงกว่าพ่อค้าเอกชนในพื้นที่กิโลกรัมละสบาทนะครับจากการรับซื้อของสกอที่มีการประสานงานกันทําให้พ่อค้าในพื้นที่ต้องซื้อในราคาที่เท่ากับสกอนะครับตัวนี้ก็เป็นการดึงราคาได้เหมือนกันนะครับในส่วนในประเด็นที่3มีการรับซื้อยางก้อนถ้วยจากสมาชิกปัจจุบันก็ สักกรในจังหวัดนครปนมก็จะซื้ อ, อยางก้อนถ้วยอยู่ที่กิโลก ร, รัมล้ประมาณ 22-24 บาทเทนั้นเองนะครับในขณะที่เอกชนเขาซื้อในราคาประมาณ เ, เพียง 19-20 บาทของเราจะสูงกว่านะครับของเราซื้อ 22-24 ของเอกชนเขาซื้อเพียง 19-20 อันนี้ก็เนื่องจากสักกรมีการประสานงานในเรื่องราคาในการรับซื้อแต่ละครั้งเฉลีย่ยแล้วก็สักกรจะรับซื้อสูงกว่าพ่อค้าประมาณ2บาทต่อกิโลนะครับอันนี้ก็ก็เป็นข้อมูล ในประเด็นที่4ก็เป็นการาการขายาขายยางก้อนถ้วยให้โรงงานนะครับอันนี้สะกลสกยพุ่มแก่นะครับซื้ออยู่ที่นาแก่เนี่ยก็ได้ขายยางให้กับบริษัทเบอร์แลนด์โปรดักต์นะครับเป็นบริษัทที่รับซื้อนะครับโดยเมื่อหักต้นทุนก็เมื่อหักต้นทุนแล้วเนี่ยสากราก็จะมีกำไรกิโลกรัมว่าประมาณ50สตังค์นะครับต่อกิโลนะครับผลการเิ น, เนที่ผ่านมาของสกยพุ่มแก่ก็มีกำไรจากการส่งยางให้กับบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักต์โปรกจำกัดเนี่ยตลอดนะครับแล้วก็รับซื้อมาม า, มาขายของส ก, กรอนส่วนใหญ่ก็จะได้ส่วนต่างประมาณกิโลก ร, รัมละ50สตางค์เช่นกันนะครับในประเด็นที่4ก็เป็นแนวทางในการบริหารจัดการยางพาราของสกคอนในจังหวัดนครพนมก็ได้มีการจัดตั้งชุมนุมส ก, กรอนยางขึ้นในจังหวัดนครพนมนะครับโดยมีสมาชิก8แห่งนะครับประกอบด้วยสกยนาธมสกยนหนองสนสกคอนชาวสวนยางพุ่มแก่ สะกะยสีชมพูพัฒนาสะกอนชาวสุนยางพาราบ้านแก้ง ส, สะกะยศโคกหินแห่สะกะยศดงน้อยนะครับซึ่งก็ได้เข้าร่วมทําข้อตกลงกันในการส่งยางก้อนถ้วยเข้าโรงงาน6กนะครับก็คือโรงงานที่พนมรดนะครับจำนวน1 2ื0 0สตันนะครับอันนี้ก็จ ะ, ะเป็นการดําเนินงานของชุมนุมนะครับได้รวมตัวกันตั้งเป็นชุมนุมแต่ชุมนุมสามารถจะส่งยางได้เพียงสี่พตันเนื่องจากติดปัญหาเรื่องเงินทุนนะครับอันนี้ก็ในเรื่องเงินทุนนี้เราก็จะต้อง ผลักดันกันต่อไปนะครับเพราะว่าบางแห่งอาจจะไม่ได้เงินกู้กเพราะว่าผิดหลักเกณฑ์ต่างๆของธนาคารอยู่ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการกันอยู่นะครับหากมาพิจารณาจุดคุ้มทุนนะครับในเรื่องของการทำยางแท่ง STR20 เนี่ยทางสกรสกรสะกะยนตนาทมเนี่ยนะครับในใ น, ในต้นทุนคงที่เนี่ยก็จะมีประมาณ 50,000 บาทนะครับต้นทุนผันแปรนี่ก็จะมีประมาณ 30,000 บาทนะครับ หากสากรผลิตยางได้แส1 0 0 0่กิโลเนี่ยจุดคุ้มทุนหน้าราคาขายก็จะอยู่ที่กิโลก ร, รัมละ30บาทจุดสาบบาท4ีสตางค์นะครับซึ่งสากรก็ได้ได้ทำสัญญาขายยางให้กับโรงงานในราคารับซื้อที่43บาทนะครับอันนี้ก็ตามจำนวน 1,800 0ตันนะครับ 1, 800, เอ้ย 1, กิโลนะครับสแดกิโลสแสดงว่าสากรก็จะได้กำไรจากการขายยางเนี่ย ครั้งนี้ประมาณ12บาท50สตางค์ต่อกิโลหรือประมาณ1ล้าน2 6 0 0 0 0 3,000 ก บ, บาทนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อขายที่ที่มีส่วนต่างเพียงกิโลกรัมละ50สตางค์แล้วการส่งยางแปลรูปเป็นยางแท่งสากลก็จะได้ราคาสูงกว่าการซื้อมาขายไปนะครับก็จะเห็นว่าการแปรรูปนี่ก็จะทําให้มูลค่าสูงขึ้นจริงๆนะครับสรุปผลที่ได้จากโครงการสินเชื่อเพื่อรุ่มรวมข้าวยางเพื่อลุ่รวมยางพาราทั้งระบบนะครับ ก, ก็สกอสกยหนองโซ น, นก็ได้ร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเนี่ยนะครับก็ได้รับอนุมัติเงินกู้จากทกศไปแล้วตอนนี้10ล้านบาทนะครับสกอหนองโซนก็อยู่ที่นาทมนะครับก็ได้เป็น10ล้านบาทแล้วก็จะเบิกจากทกศ อ, ออกไปอีกอีกหล้านบาทก็จะเหลืออีกสีล้านบาทก็คาดว่าในเดือนตุลาฯ น, นี้ก็จะเบิกทั้งหมดแล้วก็รวบรวมยางนะครับ ได้แล้วต่อไปนะครับท่านคะเวลาก็หมดแล้วนะคะครับค่ะขอบคุณนะคะคที่ได้มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของหน่วยงานสากลจังหวัดนครพนมนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ท่านสันติสอนขันแล้วก็ท่านสมนึกดีหาสิงค์นะคะผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมคะ่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ